วิธีแจกพัดครั้งนั้นภิกษุพัดตุเทศทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราพึงแจกพัดอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เขียนชื่อลงในสลากหรือแผ่นผ้ารวมกันแล้วแจกพัด